โยอุพันเตวิทิตวานะมัเชเฌมันตาณลิมปาติตั้งพระูมิมหาปุริโสโสทสิพะนิมนจัขาติผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่า ร่วงพ้นเรื่องรอยรัดในโลกนี้ได้ในเวลาเป็นยามสุดท้ายในราตรีที่เมื่อเตมูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะกันฟังธรรมะคำสอนที่มีความงดงามในเบื้องต้นทามกลางและที่สุดในช่วงของจิตตวิเวก เรามาฝึกทำสมาธิกันสักประมาณห0สนาทีฝึกทำจิตให้มีความสงบฝึกทำจิตให้มีความวิเวกการจะให้จิตของเรามีความสงบวิเวกได้นั้นต้องเริ่มจากสติสติจะเป็นตัวนำพาจิตของเราไปสู่ความสงบได้เราต้องรู้เสีก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรเราถึงจะไปสู่ที่ที่เราต้องการได้จากที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะไปถึงที่ที่เราต้องการนั่นคือความสงบมีทางสายเดียวเช่นเดียวหนึ่งคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างมันเริ่มจากการที่ธรมาฟังมีความเห็นแล้วว่าเออฉันต้องมาฟังธรรมนะฉันต้องมาปฏิบัติธรรมนะ ห้สบนาทีมันไม่ได้มากอะไรนะมันพอทำได้จะอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนหรือท่าเดินมุกคลวิ่งอยู่เอาก็พอทำได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าองค์ประกอบอันพอรเสริ์8อย่างมันอยู่ในจนในิตใจของเรามันเริ่มจากทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วให้ปรารบความเพียนความเพียนในที่นี้คือการทำจริงแ น, แน่จริงให้ใส่ใจ ให้ตั้งใจให้น้อมใจลงมาน้อมใจใส่ใจตั้งใจจดจ่อไว้นั่นแหละมันจะเกิดสติพอเราทำความเพียรใส่ใจจดจ่อจะเป็นสัมมาสติขึ้นมาทันทีมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีสัมมาวายามะและสัมมาสติเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นในขณะที่เรายังไม่มีส ม, มาธินี่แหละ เกิดขึ้นในขณะที่เราบางทีก็ยังฟุ้งซ่านคิดบ้าบอนั่นนี่โน่นได้นั่นล้ะนิดหน่อยเหมือนจุดขาวๆบนท่ามกลางสีดำทั้งหมดมันจะมืดหมดเลยอ่ะมันจะฟุ้งซ่านไปหมดเลยอ่ะแต่ขอให้มีส่วนขาวๆสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นพอมีส่วนขาวๆมีส่วนสว่างสว่าง มีส่วนที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏิสัมมาวายามะและสัมมาสติให้รู้อยู่นะฮะรู้อยู่สังเกตดูอยู่เอาในที่นี้เราใช้ลมหายใจก็แล้วกันดูอยู่ที่ลมหายใจของเราที่จะฟุ้งซ่านไม่เป็นไรนะเพราะาคนที่ดูลมหายใจมางตีมันก็ฟุ้งซ่านได้เริ่มจากตรงความฟุ้งซ่านความไม่สงบความง่วง หรือความมึนตึงไม่เข้าใจสงสัยยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าหายใจอยู่นะคุณเริ่มปฏิบัติได้สังเกตดูลมหายใจเฉยเฉยจะสังเกตยังไงทําไงโอเคมีเป็นธรรมดาแต่ขอให้ดูอยู่แล้วมันคิดนั่นนี่ทําไงนั่นแลไม่เป็นไรคิดก็คิดไปแต่เห็นหลมไหมไม่เห็นเห็นเอา้าเราไม่ตายหรอทําไมหายใจมันตายไปแล้วนะเอ้าตราก็ต้องหายใจอยู่สิมันถึงยังไม่ตายนี เอาความที่เรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้นี่แหละเห็นแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงอดีอนาคตเดี๋ยวว่ากันเราเนี่ยปัจจุบันก่อนเอาปัจจุบันว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอยู่เนี่ยเราดูรู้ได้ไหมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่เป็นธรรมชาติไม่ดองบังคับไม่้องเกรง ไม่ต้องแต่งลมแล้วก็ไม่ต้องแต่งความที่ร่างกายต้องเกร็งตรงนั้นเกร็งคอเกร็งไหลเกร็งหลังเกร็งสะโพกเกร็งขานี่ไม่ต้องให้ปล่อยขาสะโพกเอวหลังบา่าไหลคอแขนและศีรษะอย่างสบายสบายสบายสบายตั้งตัวตรงขึ้นมาก็แล้วกัน อย่าค่อมไปข้างหน้าอย่าแอ่นเอ็นไปข้างหลังให้กายนั้นตั้งตรงมีข้อตรงตั้งขึ้นมาได้แค่นี้พอหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับเวลาเราสังเกตลมหายใจก็ไม่ต้องตามลมมันไม่ได้อยากอะไรลองหายใจแรงๆดูสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัส ได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรามาจดจอ่อใส่ใจกําหนดดูเพ่งเฉพาะจดจอ่อระลึกถึงเพ่งดูอยู่ณนะที่ตำแหน่งนั้นล่ละนี่เอามาหมดเลยนะจดจ่อไว้กําหนดไว้สังเกตดูไว้อย่าเกรงไม่ต้องเกรงคิว้วเกรงไหลเกรงคอ ไม่ต้องพยายามบังคับลมหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องแต่งให้มันเร็วมันช้าไม่ต้องตามลมเข้าลมออกแต่จดจ่ออยู่นะที่ตำแหน่งเดียวมันก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนี่แหละเจอกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกไมก้กลิ่นขยะบริเวณนั่นแหละ ทีนีสำหรับบางคนที่ลมหายใจมันแผ่วเบามากๆเลยร่างกายเนี่ยมันปรับจนกระทั่งบากแทบจะไม่รู้สึกถึงสัมผัสของลมหายใจเลยเห็นงตัวข้าพเจ้าเนี้ในขณะที่พูดอยู่นี่ลมเนี่ยมันไม่ได้ผ่านเข้าผ่านออกทางจมูกนะลมเนี่ยมันผ่านออกทางปากถูบปะเพราะฉะนั้นสัมผัสของลมหายใจออกนี่มันจะไม่มีเลยเอาแล้วงั้นพระ มหาภัยบุญเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนก็ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมนั่นแหละเอาจิตเราไว้ที่นั่นเหมือนเดิมในขณะที่เราตั้งสติไว้ตัว๋วฟังไม่ใช่ว่าเราจะมีสมาธิเลยในขณะที่เราตั้งสติไว้นั้นตัว๋วฟังไม่ใช่ว่าจิตเราจะหยุดความฟุ้งซ่านเลยหรือไม่ง่วงเลยหรือจะไม่คิดนั่นนี่เลยมันไม่เป็น ขึ้นเปรตไว้เหมือนกระดองเต่าที่เวลาเต่าเก็บเอาวัยวะของเขาเข้าในกระดองเนี่นะเพื่อป้องกันอันตรายมีภัยจากสัตว์ ร, ร้ายเช่นสุนัขสิ่งจอบเป็นต้นอยู่ดีๆเขาก็มาหาเรื่องนี่เอาไม่เป็นไรเก็บเอาวัยวะเข้าในกระดองแม่จะไปกัดสู้เขาก็ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของเต่าไม่ใช่วิสัยของคนพี่ สมรูมินทร์สี่ก็สมรูมินทรี่เลยตเตาก็เก็บอ ว, วัยวะเข้าในกระดองเลยถึงว่าที่ทั้งขาหน้าขาหลังหางศาสีสากของมันอยู่ในกระดองเนี่ยนะสุนักทิ้งจอกอยู่ไหนมันก็วิ่งวนรอบทั่วนั่นแหละมันยังไม่ไปกระดองของเตานี่เปรียบเหมือนสติของเราสติไม่ใช่ลมหายใจนะทุกฝั่งนะ สติคือการระลึกได้อาการที่จิตของเราไม่ลืมไม่ลืมคืออะไรไม่ลืมคือไม่หลงไม่เผลอไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมเอาก็คือมีสติไงคือจำได้นะระลึกได้ระลึกได้จำได้ไม่เผลอไม่ลืมคือสติความหมายเดียวกันอยู่กับอะไรอยู่กับลมใครเป็นผู้ทำกิริยาคือการระลึกได้นี้จิตไง จิตลมมาอยู่ด้วยกันสติก็อยู่ตรงนั้นเลยมันก็จะเป็นลมจิตและสติอยู่ด้วยกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตของเรามายู่ลมสติก็อยู่ตรงนั้นตันทีเลิก ถ, ถึงลมได้ไม่ลืมลมนั่นคือสติสติปเปรียบเหมือนกับกระดองเตา่ากระดองเต่าปเปรียบเหมือนกับสติ เต่านั้นตัวของมันนะอยู่ไายนเรียเหมือนกับจิตของเราช่องทางที่อวัยวะของเต่ามันยื่นออกมานั่นเปรียบ เ, เหมือนกับอวัยนะต่างๆหูจมูกลิ้นกายและใจที่จะเป็นช่องทางให้จิตนั้นพอไปรับรู้สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมสุนักจิงจอกที่อยู่ภายนอก คอยช่องจากเต่าอยู่ถ้าเต่าเผลอยื่นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของมันออกมาสุนัขจิ่งจอก็จะการอวัยวะตรงนั้นไม่กัดขาดนะแต่กัดแล้วพอมีกําลังดึงออกมาได้ก็จะดึงอวัยวะส่วนอื่นๆ อ, ออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะกินสุนัขจิ้งจอกนั้นเปรียบเหมือนกับมาร มันจะคอยช่องอยู่จากเราอย่างไม่ขาดระยะมันไม่เอาช่องทางตาก็ทางหูไม่ทางหูก็ทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจทางใดทางหนึ่งมันเป็นคอยช่องอยู่หมายถึงมันจะเอารสอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นให้อะไรให้จี๊กน้อยเห็นออกไปทางไหนทางหูเ มันจะไปออกทางหูหารถอาหารได้ไง่ายมันก็ออกทางลิ้นใช่ไหมล่ ะ, ละพอออกทางลิ้นปุ๊บลิ่นปุ๊บนานแหละมันกัดเขาแล้วมันไดช่องแล้วการเสร็จปุ๊บเราเลินต่อไปอีกใช่ไหมเลิ่นต่อไปตามรถอาหารที่มันออกมาล่อยั่วยวนโอ้ยอร่อยจังเลยอันนี้ขยะกินแล้วก็เ น, น่านมันดึงออกดึงออกแล้วที่ก๋เตี๋เนี่ยจะถูกดึงออกไปดึงออกไปสุนะัขจิ้งจอกัด ตรงขาเต่าแล้วดึงออกมันก็ดึงไส้ออกดึงกระดูกออกดึงส่วนที่เป็นตับไตออกมาโอยจิตนรามันก็เวอว์วหมดแล้วเพราะจะเวอร์วชุ่มใชะเปียกไปด้วยกิเลสกิเลสก็ซึมก็มากิเลสก็ท่วมทับสัตเจ้าจิตของเราให้ไปตามกราาะแสแล้วคราวนี้ พอถูกดึงออกไปทางลิ้นกระแสเขาว่ายงไงก็ตามก็ไปเลยการพูดการคิดและการกระทาก็จะถูกปรุงแต่งไปในทางที่กิเลสนั้นดึงไปพาไปนั่นคือผูกสัตว์ไปแล้วพัสสะนั้นมากระทบตัวตันหาเป็นตัวสัตว์ไปทาให้จีคนนัน้นอยู่ไม่เป็นสุขในขณะที่ถ้าตรงกันข้ามนะเต่านี่นะ เขาไม่เผลอไม่ยื่นขาออกไปนอกเขตกระดองของเขาใช่ปะ่ะรักษาอยู่มันก็วิ่งอยู่ก็เหมือนเราไม่ลืมลมตั้งรักษาจิตของเราจดจ่อไว้สังเกตดูอยู่กลมหายใจแน่นอนว่าเสียงมันมีแหล่งกาเนิดหูเรามีอยู่เราจะได้ยินเสียงแน่นอนว่าถ้ามีแหล่งกาเนิดกลิ่น เิ่นรถขยะดอกไม้หรืออาหารที่มันอยู่ไม่ไกลข้างบ้านทำกับข้าวอยู่อย่างนี้มีกลิ่นมาเอ้าเราก็ได้กลิ่นนะหรือตอนนี้เอา้าถ้ามันอากาศร้อนมีลมร้อนผ่านมาหรือบางคนอยู่ในห้องแอร์หรือห้องที่เปิดพัดลมมีลมแอร์ลมพัดลมผ่านมากายของเรามันก็ได้สัมผัสถึถงลมเหล่านั้นด้วย และแน่นอนดูฟังก็ถ้าเรามีใจใช่ไหมละ่ะถ้ามันมีความคิดนึกอยู่ในช่องทางใจอ่ะเราก็จะมีความคิดนึกด้วยจิตเรามันจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แน่นอนเพราะนั่นเป็นช่องทางของเขาอยู่แล้วเหมือนเตาหดหัวอยู่ในกระดองเก็บอวัยวะรักษาอวัยวะอยู่ในกระดองก็จะไม่รู้ว่าสุนัขจิงจอกมันอยู่ขอนอกโอ ย, ยรู้แน่นอนก็รออยู่นี่แหละมันเลยมันจะไป เมื่อไรมันไปแล้วฉันก็จะได้ยื่นขาหน้าขาหลังออกไปตามเรื่องที่ฉันต้องการจะไปสตีแต่มันไม่ยังไม่ไปยังไม่ไปก็เก็บไว้เช่นเดียวกันนะทุกฝังเราตั้งสติอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจิตเราจะเป็นสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้คิดนึกเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะเหมืนก็ได้ยินเพราะเรามีหูแต่จิตไม่ลืมลมไม่เปลินไปตามเสียงทางหูจุดนี้มันจะเริ่มมีาาการแยกแยะแล้วทุกฝัง ว่าเสียงที่เรารับรู้ได้แต่เราไม่เปลินไปการรับรู้นะ่ะคือวิญญาณขาณที่เราไม่เปลินน่ะคือสติสติก็จึงเป็นตัวแยกวิญญาณออกจากจิตจิตนะตัมวังไปทำหน้าที่วิญญาณหมายถึงมันจะเปลินไปตามวิญญาณที่เกิดขึ้นเปลินไปก็คือเขาไปยึดถือนั่นเองจิตก็ไปยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนจิตอาศัยวิญญาณ ที่เป็นตัวตนขึ้นแล้วมันก็จะไปหาวิญญาณทิติวิญญาณทิฏฐินั้นคือจุดที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงได้วิญญาณนี่จะเป็นตัวเชื่อมนะทุกฝั่งระหว่างสิ่งเป็นน้ำและรูปน้ําอยู่ข้างหนึ่งรูปอยู่ข้างหนึ่งวิญญาณอยู่ท่ามกลางพอจิตอาศัยวิญญาณแล้วมันสัดเลยน้ํารูปอะไรต่างๆมันซัดเลยซัดเลยนี่คือเข้าไปเกลือกลัว ก็ไปกลุกเคลา้าก็ไปเพลินลุ่มหลงทั้งในสังขารสัญญาเวทนารูป ก, ก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่อย่างนี้เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณหมายถึงวิญญาณมันจะไปรับรู้อะไรได้มันก็รับรู้ในสอย่างนั้นแหละอะไรนะที่จะมาหน้าที่อาศัยวิญญาณไปนในการรับรู้จิตนี่แหละ จิตเนี่ยมาอาศัยวิญญาณเป็นตัวรับรู้แล้วก็ไปก้าวลงเปลือกลัวในรูปด้วยลุกล้าวเปลือเปลนในเวทนาด้วยกำนัดยินดีพอใจในสัญญาด้วยถือเอาเจ้าสังขารปรุงแต่งนี้ด้วยความเป็นตัวตนด้วยผ่านทางการรับรู้คือวิญญาณวิญญาณนมันจึงเป็นตัวเชื่อมอยู่ท่ามกลางระหว่างรูปและนาม พราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพระอาศัยนามและรูปคือสังขารสัญญาเวทนารูปจึงมีวิญญาณมาก้าวลงได้และเจ้านามรูปที่มันมีมันก็เพราะอาศัยวิญญาณมาในการรับรู้จิตนั้นรับรู้สิ่งใดสิ่งนั้นก็ปรากฏมีขึ้นแก่จิตจิตไม่รับรู้สิ่งใดสิ่งนั้นมันก็หายไปจากการรับรู้ของจิต มันจึมีการรับรู้วิญญาณมันจะแยกออกจากจิตด้วยสติเพราะอะไรนะเพราะจิตมันไม่เปลือไงมันมีการระลึกถึงอยู่กับอะไรนะลมหายใจซิลมจิตและสติอยู่ด้วยกันใช่ปะ่ะมีการรับรู้ทางเสียงผ่านหูเ ง, งี้ยการรูร้นั่นคืออะไรวิญญาณแล้ว ไ, ไงวิญญาณก็อนหนึ่งละจิตก็อั น, นึ การที่จิตมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นตามกลิ่นนั้นตามสัมผัสนั้นนั้นเมันจะลดลงเบาบางลงนี่เราต้องการตรงนี้เพราะทุกขณะที่เจ้าสุนทรีจออวนรอบหนึ่งซ้ายไม่มีช่องวนรอบหนึ่งขวาไม่มีช่องมันจะเริ่มแสงเฮ hey, ช่องอยู่ไหนช่องอยู่ไหทำไมไม่ได้ช่องเลยเต่านีนิ่งเลยนิ่งเฉยเตามันอยู่ในกระดองมันหายใจไหม โอ้มันก็ต้องหายใจสิมันเงินกระตาเลยใช่ป ะ, ะมันต้องหายใจแต่มันอึดมากไงหายใจนี่นาทีหนึ่งหายใจแค่ครั้งเดียวสองครั้งนี้ทําได้เตา่าวะหรือเป็นห ล, หลายนาทีกั้นลมห้ยใจอยู่ในน้ําไม่หายใจเลยมันก็ทําได้เต่าไม่ได้หายใจทางกระดองนะแต่หายใจทางจมูกเหมือนเราเนี่ยแหละก็อยู่ข้างในเนี่มันลืมตาไหมโอ้ยแน่นอนเลยมันก็ต้องลืมตาดูสิว่า เจ้าสุนัขจิงจอกมันอยู่หรือมันไปแล้วใช่ไหมละ่ะแต่มันนิ่งเลยสุนัขจิงจอกวนไปรอบหนึ่งสองรอบมันก็เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อขึ้นนละยเอยช่องอยู่ไหนช่องอยู่ไหนเหมือนกันนะทุกวางเวลาที่เราตั้งจิตไว้อยู่กับสติเอาสติเป็นกระดองของจิตของเราแล้วเนี่ยนะให้เสียงที่ผ่านมาทางหูนี่มันไป่ได้ช่องหรือมันมีช่องหูอยู่ทางเดียวใช่ไละ่ะแต่มันไม่ได้จิตก่อเราไป ส่วนนั่งจิ้งจอกเนี่มันคอยอยู่แต่มันไม่ได้ขาของต่าออกไปเอาลองช่องทางจมูกดูกลิ่นดูหอมบ้างเหม็นบ้างแต่จิตเราไม่ลืมลมใช่ป่ะล่ะพอจิตเราไม่ลืมลมนี่มีกลิ่นมากระทบจมูกรับรู้อยู่วันนี้ธรรมดารับรู้อยู่แต่ไม่เพลินตามไปทำไมไม่เพลินนะเพราะไม่ลืมลมไงไม่เพลินคือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอ ไม่เผลอคือมีสติระสึกได้อยู่กับอะไรลมหายใจพอเรามีสติระลึกได้อยู่กัลบ ล, นลมนั่นคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เปลินไม่เพลินนั้นคือไม่ตามกลิ่นที่ผายมาทางจมูกภยัยรับรู้อยู่ไหมมันแน่นอนวิญญาณก็อันหนึ่งไงการรับรู้เนี่ยคือวิญญาณจิตที่ไปรับรู้วิญญาณก็อันหนึ่งไงมันคนละอย่างกันมันจะเริ่มแยกออกจากกัน สตินี่จะเป็นตัวแยกแยะแค่เพียงเราสังเกตหลมแค่เพียงเราดูลมดูนะสังเกตนะดูสังเกตนี่คือไม่ลืมไม่เผลอใช่ไหมละ่ะสังเกตแล้วมันก็จะไม่เกิดกันแยกแยะออกแยกแยะออกระหว่างจิตและวิญญาณสังเกตตรงนี้มันไม่ยากหรือเวลาความคิดนึกด้วยก็ได้อะความคิดนึกเป็นธรรมารมอย่างหนึ่ง ผ่านมาทางใจเราจะคิดนึกถึงเรื่องอดีตเราก็คิดอยู่ในปัจจุบันเราจะคิดนึกถึงเรื่องอนาคตพ่งนี้จะทำอะไรจะไปไหนนั่นนี่เราก็คิดอยู่ตอนนี้ตูบะละสมมติถ้าตอนนี้เรามาได้คิดเรื่องอนาคตเราก็ไม่มีความคิดเรื่องอนาคตไงหรือถ้าเราจะคิดเรื่องอดีตตอนนี้เอาโหเราก็คิดตอนนี้ไงถูบละเราจะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตเราก็คิดในปัจจุบันนี่แหละ ความคิดมีเกิดขึ้นผ่านทางไหนมื่อต้องช่องทางใจชมาราะมเป็นน้านี่ความคิดนึงจะเป็นน้ามีความคิดนึกเกิดขึ้นนี่เรารับรู้ได้ไหมเราก็ต้องรับรู้ได้สิเพราะไม่งั้นเราจะรู้ไงเขาเรี่าความคิดชมะเรารับรู้ได้ความคิดนก็เป็นวิญญาณเน่มีการรับรู้มีการรู้แจ้งวิญญาณอะไรตันี้มโนวิญญาณไงมีการรับรู้ทางใจเน่เป็นมโนวิญญาณ แต่มีการรับรู้ทางหูนั่นเป็นโสตวิญญาณและมีการรับรู้ทางจมูกนั่นเป็นการณวิญญาณไฟเกิดจากไม้มะม่วงเกิดจากไม้สักเกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นไฟเหมือนกันนั่นแหละวิญญาณที่จะเกิดจากเสียงกระทบหูหรือวิญญาณที่เกิดจากธรมารมกระทบใจก็เป็นวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละคนละช่องทางมีการรับรู้ใครไปรับรู้ จิตไงจิตมันจะไปรับรู้จิดรับรู้แล้วยังไงจะเปลินไหมถ้าเพลินเผลอก็คือลืมลืมอะไรลืมลมก็แปลว่าเราไม่ลืมลมละถ้าเราไม่ลืมลมไม่เพลินไม่เพลินมีการรับรู้มาทางความคิดนึกนั้นนี่ก็ไม่เพลินตามไปมาก็มาก็าอยู่ก็อยู่นีได้กลิ่นก็ได้กลิ่นมีเสียงก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่เพลินตามไป ไม่ตามไปไม่เอาสิ่งนั้นมีอะไรอยู่มีสติอยู่เพราะมีสติอยู่หมายถึงมีกระดองอยู่มีสติอยู่หมายถึงไม่ยื่นขาหน้าไม่ยื่นขาหลังออกไปสมอยที่จอเป็นงไงมันก็วนไปดิวนไปเดี๋ยวมันก็เบื่อลงเบื่อลงเองเบื่อมากเข้าเดีมันก็ไปเองเหมือนกันพอเรามีสติไม่เพลินตามไปนะจิตเราเนี่ยนะ จิตเราเนืไม่ไปไม่คล้อยไม่เคลื่อนไปทางไหนนะสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังนะจิตเราจดจอ่อเพ่งเฉพาะอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังนะถ้าเราไม่ใส่ใจไปตามเสียงไม่ใส่ใจไปตามความคิดไม่ใส่ใจไปตามกลิ่นเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดนั้นมันจะมีอิทธิพลต่อจิตของเราลดลงลดลง ค่อยๆลดลงลดลงสมองที่รับรู้กลิ่นไม่ใช่ว่าไม่รับรู้รับรู้อยู่แต่ว่าความเพลินไปความอะไรไปมันลดลงใจไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนึกเหมือนก็มีอยู่แต่พอเราไม่เพลินไปไอ้ความเหนียวรั้งอำนาจที่จะให้เราเหลือเพลินตามไปเหมือนจะลดลงลดลงเหมือนจิตใจของสุนัขจิงๆ ที่พอมันวนหน้าวนหลังวนหลังซ้ายขวากระโดดขึ้นหลังเต่าอีกโอ้มันไม่ได้ช่องดำไงไม่ได้ช่องฉันก็ไปหาหกินทางอื่นละวนหน้าวนหลังอยู่งี้มันเสียเวลาแต่มาหาหกินไม่ไปดีกว่ามันก็จะไปไปแล้วยังไงเต่ารู้ไหมโอ้เต่าก็ต้องรู้แน่นอนสุดท้ายจรจอบไปแล้วหรือยังไม่ไปเพื่อที่ว่ามันจะได รล็์ได้ยืดแขนขาได้ไปตามทางที่มันต้องการได้จิตเราก็เหมือนกันนะพอเรามีสติตั้งไว้จิตไม่คล้อยเคลื่อนไปทางอื่ น, นได้ยินอยู่เห็นอยู่มีความคิดอยู่แต่ไม่เปลี่ยนไปเพราะไม่ลืมลมเพราะเราไม่ลืมลมไม่เบลอจิตไม่คล้อยเคลื่อนไปทางนั้นสิ่งอื่นเหล่านั้นก็หายไปอ่อนกำลังลง จเราอยู่กับลมสติก็มีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอาณาปานาสติมันเท่านี้เองดูฟังไม่ได้ยากอะไรอาศัยแค่ว่าเรามีสติอย่างต่อเนื่องอาศัยแค่ว่าเราไม่เผลอไม่เปลินเราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยนะไม่ต้องบังคับว่าไอ้เจ้าเสียงอย่ามานะทำมาร่มอย่าเกิดนะคุณจะไปบังคับสุดัข้งจอได้ว่า ให้มันไปตอนไหนให้มันอยู่ยังไงอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังไม่เลยมันก็ตามเหตุตามปัจจัยที่มันต้องการจะทําหละเสียงมันก็มีถ้ามีแหล่งกําเนิดเสียงความคิดมันมีอยู่แล้วแต่บอกว่าเราเป็นคนคิดมากเรามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดนี่ความคิดเนี่ยมันจะพุ่งพลานขึ้นมามาก็มาดิแต่ยังไงไม่เปลื่นตามไปไม่เปลือยทาไมไม่เปลือยไม่เปลือยนะเพราะไม่ลืมลม ไม่ลืมลมคือมีสติถ้ามีสติอยู่นะจะมีความคิดถึงมีเสียงอะไรเราไม่มีปัญนาเลยทุกฝั่ ง, งคิดก็คิดไปงานการไล้ก็ทำไปเดินก็เดินไปวิ่งก็วิ่งไปมีสติไม่ลืมลมหายใจอยู่ตลอดไม่ใช่เฉพาะห้0สินาทีที่เราทํากันอยู่นี่นะทุกั ง, งนะทั้งวันเวลาประทานอาหารเข้าห้องน้ําพูดคุยกับผู้คน ดูสิ่งนั่นอ่านสิ่งนี้จะตาจะหูจมโหลิ้นกายหรือใจยังไงนี่ให้เราไม่ลืมลงอยู่ตลอดอยู่ตลอดอยู่ตลอดพอเรารักษาสติของเราอย่างนี้ได้สมาธิตึมฟังมันจะค่อยเกิดขึ้นเหมือนสะสมน้ำที่ระหย ด, ดหย ด, ดลงหยดลงหยดลงนี่ได้หนึ่งกระบวยขึ้นมานะทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนี่ เป็นการสะสมสติสะสมสติจิต ท, ที่มี ส, สติเป็นฐานที่ตั้งมันจะไม่คล้อยเคลื่อนไปตามสิ่งอื่นสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปจิตไม่คล้อยตามไปมันก็จะระงรับลงจากมุมมองของจิตเราไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงนะแต่การที่จิตจะออกไปช่องทางหูผ่านทางการรับรู้วิญญาณมันลดลงแราเพราะเราไม่เพลินไปตั้งแต่แรก น้ำที่เรหยดหยดลงหยดลงกำลังสติมีมากขึ้นมีเสียงเราก็ไม่ได้ยินนะแต่จติตเราไม่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ก็เหมือนเวลาเรานอนหลับหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าสังเกตจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแม่เรียกบ้างหรือใครเรียกบ้างแล้วมีเสียงเกิดขึ้นเรามีหูแต่เราไม่ค่ได้ยนะินไม่ได้สังเกตดูจดจอดกับเรื่องนั้น เหมือนเวลาคุณไปทำงานในคาเฟ่ช็อปอย่างนงี้มีเสียงออเดอร์มีเสียงคนคุยจอกแจ๊กเป็นแบ็คกราวเงี้ยเราไม่ได้ใส่ใจฟังเพราะว่าจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำเออเนี่ยมันไม่มีวิญญาณทางหูคือโสตวิญญาณทั้งนั้นที่มีเสียงและหูด้วยจนกว่ า, วาจิตของเร า, าจะคล้อยเคลื่อนไปสนใจอ่ะมันก็จะเกิดโสตวิญญาณขึ้นจิตก็ไปทำหน้าที่ในการรับรู้จุด น, นั้นได้ ไอ้ที่ว่าเราจะฝึกจิตให้ถึงจุดนั้นก็เริ่มจากสตินี่แหละเริ่มจากสติสิ่งเหล่านั้นระ ง, งับลงจิตมันไม่ได้คอยเคลื่อนตามไปจิตก็จะมีความสงบระ ง, งับระ ง, งับระ ง, งับระงับแล้วมเป็นอะไรระ ง, งับไปเรื่อยๆมันก็เป็นสมาธิไงมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวธร่าสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นสมาธิเลย สัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่มีสัมมาสติมีสัมมาสติตอนนั้นยังไม่เป็นสมาธิมีสติกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจึงเป็นสมาธิขึ้นมามีสมาธิแล้วรักษาไปเลยทุกฝั่งรักษาไว้ทีนี้บางทีนั่นนี่โน่นใช่ไหมเราเดินทางเรากินอาหารมันจะเผลอบ้างอะไรบ้างสมาธิมันก็อ่อนกําลังลงเพราะจิตที่มันจะสงบอยู่ระงับอยู่เนี่ย มันไม่ละน้ำก็ไปคุยบ้างฟังบ้างอา่านบ้างทำงานบ้างแต่ว่าก็ไม่ลืมลมก็แล้วกันนะถ้าไม่ลืมลมมีสติอยู่เนี่ยสมาธิกำลังน้อยกำลังมากมันรักษาได้ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธิด้วยสติให้อยู่กับลมนี้ไว้ให้ดีให้ได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะจบรายการนี้ไปแล้วฟังตอนเช้าหรือตอนเย็น ตอนออกกำลังกายหรือตอนกินอาหารไม่ลืมลมโอเคพอเราไม่ลืมลมเราสังเกตดูตัฟังให้เราสังเกตดูฟังเราสัดวกอะไรอีกก็ดูลมอยู่เนี่ยดูสินอกจากดูลมแล้วมีสมาธิใช่ปะ่ะให้สังเกตดูสังเกตดูสังเกตดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจิตของเราเป็นสมาธินะก็สังเกตดูสมาธิมันนี่แหละ สังเกตดูสมาธิด้วยจิตที่ก็เป็นสมาธินี่แหละสังเกตดูสังเกต ด, กดูดูแลจะเห็นอะไรดูตรงก็เห็นนิ่งๆแล้นิ่งๆไม่มีอะไร อ, อ้มาวธรรมมาใคล้กรวนก็แล้วกันอ่ะขอบทแห่งธรรมะในติสสะเมตยักปัญหาเป็นปัญหาที่ประพฤชาวให้เหล่าภิกษุนังเคราะห์รุนเวลาจิตเราเป็นสมาธิแล้วนะทูกฝัง เราสามารถเอาสมาธิเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องการทำข้อสอบการคิดงานเอ่อบางคนมีปัญหาเรื่องการออกแบบเป็นความท้าทายนี่จะแค่ปัญงี่ยังไงเอ้าหยุดงานแป๊บหนึ่งสังเกตดูลมสักสองนาทีทำจิตให้สงบสัก5้านาทีแล้วก็มาสังเกตดูปัญหาใช้สมาธิ สังเกตดูสิ่งต่างๆในการทำข้อสอบในการแก้ปัญหาในการคิดคอนเทนต์ในการที่จะผลิตสิ่งใดๆขึ้นมาหรือตั้งใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราชาร์จพลังด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วออกสมาธินั่นแหะไปทำงานใช่ปะเราจดจ่อไว้ยอยู่กับเรื่องใดด้วยกําลังสมาธินี่มันจะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นกรจะชจ่งแจ้งขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเรื่องความจำก็จะดีด้วยคือความจำเนี่ยมันเป็นสองส่วนส่วนที่มันเก็บข้อมูลลงไปแล้วก็ส่วนที่มันดึงออกมาถ้าในขณะที่เรามีสมาธิตอนเก็บข้อมูลมีสมาธิในตอนดึงออกมานี่แหละมันจะช่วยให้มีความจำดีขึ้นเรียนหนังสือเข้งขึ้นในขณะที่จิตเราเป็นสมาธิในความเข้าใจในปัญหาหรือทักษะอันใดอันหนึ่งมันก็จะดีขึ้น ในที่นี้เราใช้กำลังสมาธินี่มาในการทำจิตให้เกิดปัญญาทมสมาธิไม่ใช่เอาสมาธินะนฟังไม่ใช่จะมาหาความสุขในสมาธิแต่ทำสมาธินั้นเพื่อให้เกิดปัญญาจิตจะให้มีปัญญาได้นะยังไงมันก็ต้องมีสมาธิบางคนจะบอกเห้ฉันสราง ญ, ญาเลยรือที่ไม่ต้องมีสมาธิไม่จริงอะ คือยังไงมันต้องมีสมาธิมาด้วยอยู่ในปัญญานั้นอยู่แล้วไงอยู่ที่ว่าคุณจะทําเป็นรูปแบบไหมคุณจะทํามากหรือทําน้อยก็แค่นั้นเองบางครูบาอาจารย์ก็เน้นสมาธิมากเพื่อเกิดปัญญาบางครูบาอาจารย์ก็เน้นปัญญาให้มากยังไงมันก็ต้องมีสมาธิมาเป็นพื้นฐานเพราะว่าเวลาที่เราพยายามจะจดจอ่อเพ่งหเห็นความไม่เที่ยงบ้างสังเกตดูบ้างอะไรบ้าง ấy. สมาธิมันอัตโนมัติเนี่ยฟังเหมือนศีลก็เป็นอัตโนมัติเป็นความปกติถ้าเรามีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องมีศรัทธาแล้วศีลมันก็มาเป็นอัตโนมัติพอเรามีสติเล่าจดจ่ออยู่กับเรื่องได้สมาธิมันก็มาโดยอัตโนมัติจุดนั้นที่มีสติเราจดจ่ออยู่ปัญญาก็อยู่นั้นอัตโนมัติทีนี้ที่เราทำผ่านมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบเป็นลักษณะแบบ Form เป็นทางการนิสหนึ่งให้เราบอว่าได้ตั้งสติขึ้นแล้วทำจิตได้สงบเนรมันเดียเป็นสมาธิเราไม่ได้จะเอาตรงนี้ด้วยซ้านี่เป็นทางผ่านที่ใช้สิ่งที่เราจะเอานี่คือตรงปัญญาเราเอาธรรมะข้อนิมกไกลขุนรนในธรรมะที่จะทำให้เราถึงนิพพานสมาธินะอย่างที่ว่ า, าใช้งานได้หลายอย่างหนึ่งอย่างที่มีประโยชน์มากๆเลย ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จงนําไปใช้เนี่ยคือนำมาใช้แล้วตัดอาสวะกำจัดกิเลสออกไปจากจิตให้จิตเนี่ยหลุดพ้นอยู่เหนือจากสภาวะต่างๆได้จิตของเราที่มันจะมักค ล, ล้อยเผลอเปลิ่นไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะมันมีกิเลสอยู่เพราะมันมีตัณหาซึมซาบแฝงอยู่ ทำไมมันถึงมีตันหาแล้วเราไม่เห็นจะรู้เลยเามันมีอวิชชากลุ่มอยู่ด้วยทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจพอจิตของเรามันมีอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็มักจะเผลอเปลินตามไปกินเลสก็ตามมาจิตก็จะมีความเศร้าหมองจิตที่มีกิเลสแล้วมันจะปรุงแต่งความคิดก่อด้วยอำนาจของอะไรร้อนหิวหรือเมื่อละ่ะร้อนก็โทส หิวก็ราคะมืดก็ออโมหะจะปรุงแต่งทางความคิดทางวาจาหรือทางใจมันก็ไปตามนาั่นราคะาโทสะโมหะถ้าจิตเป็นอย่างนั้นเนแน่นอนว่าหิวร้อนหรือมืดเนี่ยนะมันก็ตอบสนองตามภาษาแน่นอนจะให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะไม่ได้ละตันท้ายมันจะเป็นตัวเชื่อมกันไงทุหวางตัวเชื่อมระหว่างภายในภายนอกเป็นตัวที่จะผลักดัน ติดออกไปให้ไปตามภาษาท่านถามอย่างนี้บอกว่าผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนสุดทั้งสองด้านไม่ยึดติดในท่ามกลางเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นเรื่องรอยรัดส่วนสุดสองด้านคืออะไรนี่ไงเรากำลังอยู่มันอยู่ดีด้านหนึ่งก็คือภายในจิตของเราที่อยู่ในช่องทางใจ อีด้านหนึ่งก็เป็นรูปเสียงพึินรถผลิตัณฑธรรมรมม์นั่นคืออิจตนะภายนอกอิจตนะภายในภายนอกรวมกันไปนเลยก็ได้เรียกว่าผัสสะจิตกร็รำลึกก็จะไปออกหาสิ่งที่เป็นผัสสะมันทำไมถึงชอบออกไปหานะตัวอย่างที่บอกเมือ่อกี้แล้วจิตมันมีอวิชชาอยู่จิตมันมีอวิชชามันก็จะเหนียวเหนืคร้อยเกลื่อนไปตามเสียงแต่มันดังหน่อย จะโมกแต่มันมีกลิ่นที่แม้มันน่าดมหน่อยหรือผลตภาพความคิดนึกอะไรที่มันอยากจะคิดมันก็ไปจิต ท, ที่ตามใบนั้นน่ะเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่มันจะคลอยเคลื่อนตามไปเป็นธรรมาชาติของเราใช่ไหมในที่นี้เราทวนกระแสเราทวนกระแสเราทวนกระแสด้วยการตั้งสติขึ้นอยู่กับลมจิตคุ่นยาบไปหมายมถึงคุ่นยับเบลอ อพอจิตไม่เผลอมันมีการรับรู้เฉยๆมันจะแยกกันออกใช่ไหในขณะนั้นเนี่ยจิตของเรามันก็ไม่มีอ ว, วิชางอวิชามันไม่เกิดอ่ะมันแฝงอยู่มันมองไม่เห็นเห็นเฉพาะส่วนที่เห็นน่ะเหมือนแผ่นกระดาษทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดำอย่างเงี้ยแล้วมันมีส่วนข า, ขาวๆอยู่หน่อยหนึหน่งตรงกลางอย่างนี้เราจดจอมองอยู่แต่ตรงข า, ขาวมันก็ขาวไงตรงเนินดําเนี่ยเราไม่ได้ไปสนใจ สนที่จิตเราสนใจอยู่มีความรู้อยู่อวิชามก็ไม่เกิดเพราะวิชามไม่เกิดความเพลิดเปลินไม่มีจิตมันก็ไม่คลอยเคลื่อนตามสิ่งต่า ง, างไปถามว่าทำอย่างเงี้ยได้เพราะอะไรเอาเพระาะตั้งสติขึ้นนั่นแหละทุกฝังนั่นคือมันตาจิตของเราไม่คลอยเคลื่อนไปทางอื่นไม่ยึดติดในทามกลางด้วยสติด้วยปัญญาปัญญาไม่เกิดตรงนั้นเลย เพราะว่าการที่เราจะตัดสิ่งใดได้ไม่ตามไปในสิ่งใดไ ด, ได้นั้นต้องมีปัญญาแล้วส่วนสุดที่จะให้จิตไปยึดถือข้างนี้บ้างแล้วก็ข้างโน้นบ้างเชื่อมกันด้วยเจ้าตัณหาพอตัณหามันเบาบางลงพอจิตของเรามีสติมากขึ้นสิ่งที่จะทําให้จิตคล้อยเคลื่อนตามไปนั้นก็หมดไม่มี อไม่เคลื่อนคล้ายใบตาพานี่ดีละเป็นมหาคติเรียกเป็นจิตที่มีกำลังเป็นมหาแล้วจิตที่มีกำลังแบบนี้ดีไหมดีแน่นอนเวลากิเลสมันจะรัดรองเราเนี่ยนะธรรมชาติก็มัน่มันต้องสองทางเสมอไม่งั้นมันจะไม่มีที่ดึงมันจะไม่มีที่รัดมันรัดด้านนี้ด้ดยรัดด้านโน้นด้วย ท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับสุดตรงสองข้างไงเหมือนจะมีสองฝั่งเสมอ2ฝัง่งนี่อองศาเนี่ยไม่ใช่ด้านเดียวนะ2ฝัง่งด้านนู้นก็ด้วย2ฝัง่งไอ้ตรงมุม270เจก็ด้วย2ฝัง่งตรงมุม9กาก็เอา2ฝัง่งทั้ง360 480ด้าหนี่ไม่ใช่ให้หวยนะแต่มันเอาเราทุกด้าน รว่าให้ดีจิตจะเปลือยให้อยู่กับลมมีภาาัสาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วไม่เปลือตามไปใครกวนกว่านี้มันจะมีส่วนสุดสองข้างเสมอไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตเมือนที่เราคิดเรื่องอดีตเมือที่เราคิดเรื่องอนาคตโนโน่ no, no, no, no, no. ไม่ตามไปอยู่กัอะไรอยู่กับลมจิต ท, ทำไงถึงจะไม่ตามสติสติลกูกสติดึงสติมา สติแล้วตรงนั้นแหละคือปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นก็ตรงสติตรงสมาธิปัญญาที่เราเห็นว่าโอเคนั้นไม่ตามก็ได้ในที่ว่าจะไม่ตามมันก็ได้นั่นแหละคุณวางไงที่เราจะไม่เผลอไปตามเสียงตามความคิดนึก่คุณวางตรงนั้นไงบางตรงนั้นเรามาจดจ่อยก็ตรงนี้ตรงนี้คือตรงไหนตรงลมตรงด้านเราเห็นล้มนั่นคือสติสมาธิ โรงด้านที่เราปล่อยสิ่งนั้นมานั่นคือปัญญาฟังจริงนะเพราะกิเลสมนอาเราสองทางเสมอถูกปะด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยกิเลสมันเอาเราสองทางเสมอไม่ด้านนี้ก็ด้านโน้นสุดตรงสองข้างเวลาเราจะกําจัดมันก็ต้องสองทางด้วยเหมือนกันสติปัญญาต้องมาด้วยกันสมถาวิปัสสนาต้องมาด้วยกันมีดพอผ่าอะไรออกเปื๊บมันก็จะแบ่งเป็นสองส่วน จากที่เป็นหนึ่งส่วนมันก็กลายเป็น2องส่วนขึ้นมามันต้องมีสองดางสมอเวลาจิตเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นต้นในที่เราไม่เผลอไปไม่เพลินไปดังนนั้นมันก็เกิดปัญญาขึ้นทันทีเพราะเราวางได้เวลาเราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจนั่นคือเป็นสมถะแล้วและพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นกองไม่เที่ยงจิตเราจะแยกออก นั่นตัดด้วยปัญญาแยกออกจากจิตของเราแล้วก็นั่นก็ส่วนหนึ่งจิตเราก็ส่วนหนึ่งกิเลสที่มันหลุดออกไปก็ส่วนหนึ่งจิตเราก็ส่วนหนึ่งมันก็ออกเป็นสองส่วนเสมอใครควรตามไม่ดีนะระวังนะเวลาเรามีดหั่นผักหนึ่งชิ้นมันก็กลายเป็นสองชิ้นขึ้นมาสมมติคุณหั่นตรงปลายปลายมันก็เป็นชิ้นเล็กๆตรงปลายปลายที่เหลือมันงเป็นชิ้นใหญ่อยู่ในชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันชิ้นหนึ่งเราหั่นลงไปอีกมันก็กลายเป็น2ชิ้นใ่ไหมล่ะ เราฮันนบีก็กลายเป็นสีชินไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเพราะว่าปัญญานี่มันตัดออกจะมีสองด้านเสมอเวลาเราตั้งปัญญาขึ้นด้วยสติเวลาเราตั้งวิปัสสนาขึ้นด้วยสมถะ <ๆ S 1> ก็จะมีสิ่งที่หลุดออกไปจากจิตของเราหนึ่งคือกิเลสกิเลสมันมีตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วจากการที่มีปัจจัยมากระทบจิตของเราเพอกิเลสมันออกมาออกมา เวลาเราตัดมันออกไปออกไปเราอย่าเอาเก็บมันมาใช้อีกคือบางคนนั่งทำสมาธิเออดีอยู่จิตก็สงบดีอยู่แต่พอถึงบ้านหรือนั่นนี่ก็โกรธขึ้นอีกไม่พอใจอีกแม่คนมาฝึกเป็นทำสติฝึกสมาธิเนี่ยนะมันเป็นบัณฑิตแล้วนะแต่บัณฑิตนี่บางทียังขี้โกรธอยู่บัณฑิตนี่บางทีขี้กลัวอยู่ บัณฑิตนี่บางทีขี้ขลาดอยู่เนี่ยมันขี้มากมันก็ไม่ดีแล้วบัณฑิตอ่ะมันก็จะกลายเป็นบัณฑิตที่ไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีเป็นบัณฑิตแล้วมันควรจะดีๆถูกปะเป็นบัณฑิตก็อย่าโง่อย่าเป็นคนบานอย่ากลายเป็นคนบานแบบนั้นเป็นบัณฑิตที่มันดีๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตก็อยาาโกรธจะไม่โกรธได้ก็รักษาสติให้ดีรักษาสติให้ดีไม่เอาความโกรธนั้นมาใช้ ไม่เอาเครื่องมือมามาใช้สติมันก็มีแต่เราไม่เอามาใช้ไงหลุดไปก็หลุดไปเพราะเราไม่เอามันมาใช้ที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินะไอ้ที่มีอยู่มันก็จะอ่อนกําลังด้วยที่ไม่มีมันก็เข้าไม่ได้ด้วยเพราะเราไม่เอามันมาใช้ไงเลยที่คุณเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้อะไรเพราตัณหาตัณหามันพาไปอย่างให้เป็นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นี่นคืออนาคตเนี่ยคือส่วนหนึ่งไอ้ที่เราโยมเป็นอีกอย่างหนึ่งไง มันคือปัจจุบันบ้างอดีตบ้างนี่เป็นอีกอย่างอน่ให้มันเป็นอย่างนั้นมันเชื่อมกันอะไรทั้วังเชื่อมกันด้วยความอยากอันนั้นกลายเป็นสุดตรงสองข้างละเชื่อมกันด้วยเจ้าตัวธนาแต่ดอกนี่แต่ดอกด้วยปัญญาอย่าให้มีความอยากที่จะเล็งให้มันแม่นได้นะต้องมีสตินะสติเป็นการเล็งเป็นการที่แม่นยำฝันลงไปให้คมให้ขาดนี่คือปัญญา กำลังที่จะฟันไปให้มันมีมากชั่วเดียวขาดนี่คือสมาธิแต่ถ้ามันเหนียวเนีย่ยชั่วเดียวมันไม่ขาดเนี่ยถ้ามันเหนียวกฟ็ฟันซ้ำลงไปฟันซ้ำลงไปฟันซ้ำลงไปท้าไม่โดนที่เดิมมันก็เสียกำลังเปล่าเสียความคมของมีดก็ต้องฟันซ้ำแหลงยงดีนั่นคือสติมีก็ต้องคมแข็งนั่นคือปัญญากำลังมีแรงลงไปนั่นคือสมาธิตัดกิเลส ที่อยู่ในจิตใจของเราความยึดถื อ, อรวมความรู้สึกอะไรต่างๆปาออกลอกออกคูดออกตัดทิ้งไม่ใหญ่ดียิงย่งไปเย่อะใหญ่มันสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตของเราเอาเครื่องมือของกิเลสมาใช้แต่ทำให้จิตของเรานั้นมีความเผลอมีความหลงมีความโกรธมีความหิวปล่อยมันออกมาชะไม่เอามาใช้อะไรเราก็ไม่เอาหูฟังสุขเปทนาบางทีมันเกิดขึ้นนะ่ะ นังอยู่เฉยนั่นก็มีสุขใช่ไละ่ะสุขในภายในนั่นเราก็ไม่เอาแต่บางที่ไม่ปวดหลังปวดเอวแบบนั้นก็มีทุกข์ใช่ไล่ะทุกข์นั่นเราก็ไม่เอ า, เอ า, เ า, เอาสุขก็เวทนาก็ไม่เอาทุกข์ก็เวทนาก็อย่าเอาที่ถ้าจะไปยึดถือหรือกลัวเผลเปลิปลนไม่เปลินไปสุขทุกข์มีเป็นธรรมดา ทีมก็ไม่ได้จะบอกได้รวมเป็นทุกหรือมันเป็นสุขกหรือว่าอทุกขมสุขเวทนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ให้จิตของเราไปยึดถือทั้หมดแหละพอเรากําหนดรู้แล้วว่าอ๋อจิตเรามันจะไปยึดถือสิ่งเล่านั้นไม่ไปไม่ไปไม่ไปด้วยอะไรกํำลังสติกําลังปัญญาส่วนสุดข้างไหนเราก็ไม่เอาจะเป็นด้านสุขจะเป็นด้านทุกก็คืออยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกได้ ส่วนที่เป็นนามรูปรูปนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสปภะทภะส่วนที่เป็นนามคือธรรมารมทั้งหลายจะเป็นความรู้สึกเป็นการรับรู้เป็นการหมายรู้เป็นความคิดนึกคิดชนิดที่มีเสียงไม่มีเสียงมีภาพไม่มีภาพนั่นคือธรรมารม์ธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจ หนึ่งก็ค้างหนึ่งก็ไม่เอาไม่เอานาไม่เอารูปแม้แต่เจ้าวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะการรับรู้นี่เราก็ไม่เอาเพราะอะไรนะเพราะสิ่งเหล่านี้นี่มันมีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดามันทำให้เรากลายเป็นตัวตนได้เป็นตัวตนคือเป็นสักกายขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะว่าถ้าจิตเราไปกรือกล่วนก็คือมีตัณหาไง เราดับความอยากระดับตัญหาที่มันแฝงลึกอยู่ด้วยอวิชายึติดึ้นมาอยู่นี่อยู่ในใจของเรานี่พอเราไม่ใช้มันบ่อยๆไม่ใช้มันอยู่เรื่อยมันก็อ่อนลงอ่อนลงสิ่งภายนอกก็เหมือนกันใช่ไหมที่พูดมาสักครู่เสียงพอเราไม่เข้าไปหามันมันก็อ่อนลงจริงๆแล้วที่ข่าข้างนอกอ่อนลงข้างในก็อ่อนลง อำนาจของตัณหาอำนาจของกิเลสอำนาจของอวิชาก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเหลืออะไรสตินั่นแล้วมีกำลังมากขึ้นปัญญานั่นแหะมีกำลังมากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นปัญญามีกำลังมากขึ้นอวิชาตัณหากิเลสอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจิต ท, ที่เป็นอย่างนี้ซ้ายก็แมาขวาก็แมว นามรูปก็ไม่เอาส่วนสุดข้างาไหนก็ไม่เอาสุขทุกข์เหนือแล้วเหนือสุขเหนือทุกข์ไม่เนนอาเจ็เป็นอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็ไม่เพลินไม่เพลินไปในอดีตอนาคตไม่เปลินไปในปัจจุบันปัจจุบันนี้เราเพลินไม่ได้นะจริงๆที่เราเปลินไปในอดีตก็เพราะเราเพลินอยู่กับปัจจุบันในความคิดเรื่องอดีตอนาคตนั่นแหละปัจจุบันเพลินได้แตาเรามีปัญญาแล้วเราไม่เพลิน ไม่เปลิอไปกับภาษาต่างๆที่มากระตบภาษานั้นก็เป็นปัจจุบันนี่แหละจะเป็นภาษาความคิดจะเป็นภาษาคือเสียงไม่เปลิอไปตั้งจิตอยู่ได้ด้วยสติสัมปชัญญะคำนาของเจ้ า, าวิชาอ่อนลงอลงวิชาคือความรู้กระจายมากขึ้นเพราะความจางคลายไปท่านใช้คำนี้จางคลายไปจางคลายไปจงกระทั่งมันดับไปดับไป ของเจ้าอวิชาพอมีความจางคลายดับไปของเจ้าอวิชาแล้วจิตของเรานี่มันจะสบายมันจะไม่ต้องไปปรุงแต่งตามเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ท, ท, ที่ผ่านมาต่างๆต่างหูเราจะไม่เพลินเผล อ, ป, ลอปรุงแต่งไปตามดังนั้นเพราะเราไม่ปรุงแต่งไปตามการที่เราจะไปยึดถือรับรู้ในสิ่งที่เป็นนามรูปที่อาศัยวิญญาณเนี่ยสุดตรงสองข้างเนี่ยเราไม่ไปเลยท่ามกลางเราไม่เอา พอจิตเรมันไม่ไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามรูป ม, มันจะไปอาศัย ช, ยช่องทางอะไรภาษาสลยายตนะพวกนี้ไม่มีพอจิตกรามันไม่ไปออกไปตามภาษาสลยายตนะเวทนาที่เป็นสุก็ตามเวทนาที่เป็นดุก็ตามมันก็เกิดขึ้นไปได้มันก็จะดับไปดับไปจากการรับรู้ของจิต น, นะจิตก็ไม่ไปรับรู้ไปในสิ่งนะั้นก็ออยู่เหนือแล้วอยู่เหนือสุขอยู่เหนือดุกแล้วเพราะเหนือสุกเหนือดุกแล้วจะเอาอะไรมาหยุ ด, ดะ ความทะยานอยากคือตัณหาความยึดถือคืออุปาทานมันก็หายไปชางคลายไปดับไปเพราะความยึดถือไม่มีความเป็นสภาวะที่จิจะเข้าไปถือเอาโดยความเป็นตัวตนความเป็นสภาวะนั้นพบนั้นมันก็หายไปดับไปเพราอจิตมันไม่มีที่ที่จะให้เอาอะไรเป็นสภาวะการเข้าลงการเกิดขึ้นมันจะไม่มีเพราะจิตไม่มีการเกิดความดับไปมันจะมีได้ไง สิ่งที่ไม่เกิดมันก็ไม่ดับมาสิเพราะว่าถ้าสิ่งที่จะดับได้มันต้องเกิดสิ่งที่จะแก่จะตายจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องมีมาก่อนพอมีการเกิดปรากฏมีการตั้งอยู่ปรากฏมีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันก็มีความตายปรากฏขึ้นได้แต่ถ้าไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆปรากฏ ความตายมันจะปรากฏได้ยังไงมันก็ไม่ปรากฏตายคืออะไรตายคือมระรตะมรรตะแปลว่าตายก็ไม่ตายคืออมะตะไงจิตเราจะเข้าสู่ความเป็นอมะตะคือไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะไม่เกิดทำไมไม่เกิดนะเอากวามแปลว่ามันไม่ได้เข้าไปยึดถือในส่วนสุดสองข้างไงอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกอยู่เหนือการปรุงแต่งอยู่เหนือนามอยู่เหนือรูป อยู่เหนือวิญญาณอยู่เหนือสังขารอยู่เหนืออวิชชาเลยอวิชชาทันหากิเลสไม่เอาไม่เอาก็คืออยู่เหนือจกมันแล้วสบายแล้วนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นมหาจากที่อวิชชาเป็นครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างนี่จิตเรานี่อยู่เหนือจกมันละอยู่เหนือจออากอวิชชาด้วยความรู้คือวิชาด้วยความรู้คือวิชาที่พระพุทธเาท่าน มอไปให้เป็นตรมาอันนี้เราอยู่เหนือสุขเราอยู่เหนือทุกจิตเราสงบนี่รักษาไว้ให้ดีเต็ฝังเพราะบางทีมันอาจจะกลับกำเริบได้กลับกำเริบนี่ก็คือว่าถ้ามีภาษาอะไรมาแรงกระทบบางทีเราก็เลอะไปลืมไปตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะอะเรามี60นาทีอยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำจิตให้สงบดีมากเลย อยู่ด้วยกันทําจิตให้สงบทุนี้รักษาได้อยู่เนื้อสุขอยู่เนื้อทุกพอหมดรายการแล้วก็รักษาให้ดีต่อไปด้วยระวังมันกับกมเริบกับกมเริบแล้วทำไงอย่ากลายเป็นบัณฑิตลืมตัวอย่ากลายเป็นบัณฑิตขี้โกโรธอย่ากลายเป็นบัณฑิตสมซ้อแต่ให้เป็นบัณฑิตไม่ลืมตัวคือมีสติปัญญาให้เป็นบัณฑิตที่มีเมตตาไม่โกโรธ เป็นบัณฑิตที่มีอุเบกขามีจิตไม่เศร้าหมองทําได้แน่นอนดูฟังเราจะรักษาจิตให้มีลมหายใจอยู่ตลอดทั้งวันพอเราให้ยใจอยู่ทั้งวันทำไมเราจะมีสติวย่วารมไม่ได้ได้สิทําได้ไหลมาเลยตั้งแต่พระบุรุษชาทำได้เหล่าพระอรหันต์ห0สิรูปทําได้เหล่าโสดาบันทาได้วุบาสกุบาสิกาทาได้หมด อยู่ว่าเรามีความเพียนเราใส่ใจเอาไว้ทำฝังรักษาจิตของเราที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้ดีในช่วงของจิตตวิเวกที่ทำฝังจะได้ฝึกทำสมาธิที่เป็นรูปแบบเราอา้ัยวิธีการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนมีหลักฐานปรากฏขึ้นในคมปีเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ท่านบอกต่อส่งผ่านมา ผ่านมาในรูปของคำสอนเพอเราเอาคำสอนเหล่านี้มาปฏิบัติเราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งปัญญานั้นมีส่วนแห่งความเพียนมีส่วนแห่งความรู้นั้นเกิดขึ้น ใ, นในใจใจของเราคอยดูบราฟังได้เป็นผู้ที่มีส่วนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ส่งผ่านต่อมาให้เราเราจะเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญานั้นก็ด้วยการทำด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่ิตใ จ, ใจ ผดทมีธมังนั้นสามารถที่จะทำที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านสอนไว้ให้ได้ช่วงของจิตต ว, วิเวกนั้นจะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในทุกวันอคารตั้งแต่เวลาตีหถึงโมงเชา้าทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุนท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่าง ในรายการธรรมรารุนนี้ก็จัดโดยมูลิติปัญญาปาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาใบาบุญครับพี่ปุณโนเป็นผู้ดเนินรายการกเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ชลประาน